าะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระคุณต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากทังราชการจึงได้จัดวันนี้ให้เป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อที่พวกเรา ชาวประชารชานทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกับลูกของพระเจ้าอยู่หัวจะได้มีเวล า, ามีโอกาสได้มาแสดงความกตัญญูกตวเวที mm. เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปกครองประชาราตให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีด้วยกันและก็เป็นวันที่พวกเราจะได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดา ครูบาอาจารย์เป็นต้นเพราะการแสดงความกระตันอยู่กตเวทีนี้เป็นพื้นฐานของความดีทั้งหลายผู้ที่จะปรารถนาเป็นคนดีเป็นคนที่จเจริญก้าวหน้าจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานที่ดีไว้รองรับเหมือนกับการสร้างอาคารสู ง, สง ต้องมีรากฐานที่จะแข็งแรงที่จะรองรับกับน้ําหนักของอาคารสูงสูงได้การที่เราจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญสูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสูงขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราจําเป็นต้องมีรากฐาน ที่แข็งแรงไว้รองรับความดีต่างๆรากฐานของความดีที่รองรับความดีนี้ก็คือความกตัญญูกตวเวทีความกตัญญูแปลว่าเป็นผู้มีความสำนึกรู้คุณของผู้อื่นกตวเวทีคือการทดแทนตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย บุคคลที่ไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นบุคคลที่จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะจะไม่มีผู้ที่จะคอยสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ลืมพระคุณของผู้อื่นนี้เป็นผู้ที่สังคมไม่ยกย่องเป็นผู้ที่ ส, งสังคมจะประนานอยู่เสมอ เพราะเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงความสำคัญความดีงามของผู้อื่นดังนั้นจึงไม่มีใครอยากที่จะคบค้าสมาคมด้วยไม่อยากที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะจะทำความเสียหาย มากกว่าจะทำคุณทำประโยชน์นั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณและพยายามตอบแทนบุญคุณของท่านเท่าที่เราจะสามารถทำได้ <c oughs> การที่เราจะมีความกตันอยู่ได้เราต้องมีความลําลึกถึงพระคุณของท่าน อยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นเราควรจะกราบพระกราบพ่อกราบแม่ทุกๆวันไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราหรือไม่เรากราบท่านได้การกราบนี้ไม่จำเป็นจะต้องกราบต่อหน้าการกราบนี้เป็นการเตือนสติเ ป, เป็นการเตือนความความลำลึกความสำคัญของ พระคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายเมื่อเราลำเลิกเห็นพระคุณของท่านอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีโอกาสลืมและเราก็จะคอยคิดถึงโอกาสหรือเวลาที่เราจะได้ทดแทนตอบแทนบุญคุณท่านการทดแทนตอบแทนบุญคุณก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการให้ เป็นการเสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น <c oughs> เราทำแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสะอาดขึ้นมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงมีความโลภน้อยลงและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มความพอมากขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่มีความกระตันอยู่ ไม่ทดแทนบุญคุณเลยใจของเรานี้จะมีแต่ความโลภความอยากความเห็นแก่ตัวและจะอาจจะทำอะไรที่เสียหายได้ต่อไปเช่นเราเคยได้ยินคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เนื่องจากความโลภความอยากความเห็นแก่ตัวต้องการอะไรตามใจตัวเองถ้าพ่อแม่ไม่สามารถที่จะ ตอบสนองความอยากความต้องการได้ก็เกิดความโกรธแล้วก็ขาดสติทำให้ต้องไปฆ่าบิดาหรือมารดาซึ่งถือว่าเป็นกรรมที่หนักอย่างยิ่งเรียกว่าอัดอนันตริยกรรมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผู้อื่นนี้ไม่บุนแรงโทษไม่บุนแรงเหมือนกับฆ่า ผู้ที่มีพระคุณเช่นค่าพ่อค่าแม่พระ่าพออาระอรหันต์อนันตฤยกรรมนี้มีอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. ค้่าพ่อสอง่าแม่ 3. ค่าพออาระอรหันต์สีทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและ 5. ้าทำให้สงแตกแยกแตกความสามัคคี การกระทำเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงที่เป็นพิษเป็นภยัยแก่ผูก้กระทำอย่างยิ่งถ้าได้ทำไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกอย่างแน่นอนดังนั้นวิธีหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้ได้ก็คือเราควรที่จะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระอรหรันต กราบบิดามารดาอยู่อย่างสม่ำเสมอทําให้เป็นกิจวัตรประจาวันของเราตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่จะลุกไปทําอะไรก็ให้กราบพระกราบพ่อกราบแม่เพื่อเราจะได้มีเวลาล้ำลึกถึงพระคุณของท่านเพื่อเราจะได้ไม่หลงลืมความสําคัญของท่านเพราะถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีเราได้ ถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็จะไม่มีตัวตนเราจะเกิดมาไม่ได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ที่เราเป็นอยู่นี้ก็มาจากพ่อจากแม่ของเราเป็นทุนเดิมเป็นต้นทุนแล้วเราก็มาต่อทุนพอได้เราได้รับร่างกายนี้แล้วเราก็ค่อยมาหาสิ่งอื่นๆต่างๆได้หาเข้า ของทรัพย์สมบัติหาลาบหายุทธหาภรรยาหาสามีหาลูกหาเต้าต่างๆ ต, ตามตามมาได้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเราจะไม่มีทางที่จะมีสิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เลยเราอาจจะยังเวียนว่ายตายเกิดเป็นดวงวิญญาณหาที่เกิดไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องล้ำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อของคุณแม่อยู่อย่างสม่ำเสมอและพยายามทดแทนบุญคุณของท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นกุศลเป็นความสุขเป็นความเจริญแก่ชีวิตจิตใจของเรา <Yeah. S 1> การทดแทนนั้นก็มีหลายหลายวิธีด้วยกัน ถ้าเรายังอยู่ภายใต้การปกครองของท่านท่านยังสั่งสอนเราอยู่เราก็ควรที่จะมีความเคารพเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนของท่าน <c oughs> เพราะท่านมีความปรารถนาดีมีความเมตตาอยากจะให้เราได้ดีได้เจริญก้าวหน้าสิ่งต่างๆที่ท่านสอนนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่อาจจะไม่ถูกใจเราเพราะใจเรามันไฝ่ต่ำใจของพวกเราทุกคนนี้มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยากจะทำในสิ่งที่ไม่นำพามาซึ่งความเจริญอย่างแท้ จ, จริงเช่นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนอย่างนี้เป็นต้น เวลาที่บิดามารดาเห็นเราทาสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะตื่นสติสอนให้เรารู้ว่าการกระทําเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญแต่จะเป็นเหตุที่จะนําไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์เวลาท่านสอนเราเราก็อย่าไปโกรธท่านเราควรนั่งฟัง แล้วก็นำเอาไปพิพจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าการกระทำนี้ทำไปแล้วมันเกิดผลดีหรือเกิดผลเสียอย่างไรในขณะที่เราฟังนี้ถึงแม้เราจะไม่พอใจไม่ชอบใจก็อย่าแสดงอาการกิริยาอาการออกไปขอให้คิดว่าพ่อแม่เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ เหมือนกับพระที่เรากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่เราฟังไปส่วนไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่แสดงอาการออกมาเราก็นั่งฟังไปแล้วเราค่อยไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลดูว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรผิดหึืถูกอย่างไรถ้าดีเราก็ควรที่จะทำไปถ้าไม่ดี เราก็ไม่ต้องทำตามไม่เสียหายอะไรไม่ถือว่าเป็นการขาดความเคารพขาดความกระทังอยู่หรือไม่เชื่อฟัง <Yeah. S 1> การกระทาในสิ่งที่ผิดนี้ <Yeah. S 1> ไม่ว่าใครจะสั่งใครจะบอก <Yeah. S 1> ก็ไม่ควรทำทั้งนั้น yeah. <Yeah. S 1> เพราะทำไปแล้วมันจะเกิดโทษ <Yeah. S 1> ผู้ที่สั่งผู้ที่สอนนี้ <Yeah. S 1> ก็จะอาจจะสอนด้วยความไม่รู้ทัน ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโทษต่อผู้กระทำก็ได้ดังนั้นขณะที่ฟังถ้าเราอยากจะแสดงความกตัญญูความเคารพเราก็ฟังด้วยความด้วยใจที่นิ่งสงบไม่ไม่ควรที่จะโต้เถียงบิดามันดาโดยรดขาดท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยให้ท่านพูดไปให้พอถ้ามีโอกาส แล้วค่อยขอโอกาสกราบเรียนท่านให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องทอํางง อ, ทอย่างนั้นถึงต้องทําอย่างนี้อย่าเถียงพ่ออย่าเถียงแม่แล้วก็อยาดาพ่อด่าแม่เพราะเป็นพฤติกรรมที่สอไปในทางที่ไม่ดีนี่คือวิธีแสดงความประทับอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้อยู่กับท่านนึกเราอยู่กับท่านแต่เรามีเจนิญความเจริญก้าวหน้ามีฐานะการเงินการทองที่ดีเราก็ควรที่จะแบ่งปันเงินทองให้ท่านใช้บ้างถึงแม้ท่านจะมีมากหรือมีน้อยหรือไม่จำเป็นต้องการเงินของเราก็ตามแต่การให้ท่านนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงว่าท่านต้องการหรือไม่ต้องการ แต่อยู่ที่ว่าเรามีเราควรที่จะให้เราควรที่จะทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทาบุญกับพระในบ้านก่อนพระในบ้านของเราก็มีอยู่สององค์ด้วยกันท่านบอกว่าเป็นพระพรหมเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆ ก, ก็คือพ่อกับแม่ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็เท่ากับได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์ ถ้าเราไปทำบุญกับพระ อ, อรหันต์นอกบ้านท่านก็จะสอนให้เรากลับมาทำบุญกับพระ อ, อรหันต์ในบ้านของเราก่อนเพราะได้บุญเท่ากันการทำบุญกับพ่อกับแม่ทำบุญกับพระ อ, อรหันต์นี่ได้บุญเท่ากันดังนั้นถ้าเรามีพอที่จะมีอะไรให้พ่อให้แม่ได้ก็ควรที่จะให้พ่อให้แม่บ้าน ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรให้ท่านไปท่านก็เก็บไว้ให้เราทีหลังนั่นแหละต่อไปข้างหน้าถ้าเราเกิดเราตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนเงินทองใครจะมาดูแลเราเพื่อนฝูงเราจะมาดูแลเราเหรือเพื่อนเราส่วนใหญ่นะ่ก็เรียกว่าเพื่อนกินทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่เพื่อนตายเวลามีเขาก็อยู่กับเราเขาก็สนุกกับเราได้ แต่เวลาเราไม่มีคิดหรือนว่าเขาจะเลี้ยงเราก็าจะดูแลเราไม่มีทางมีคนสองคนในโลกนี้เท่า น, นั้นแหละที่จะดูแลเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดเราไปติดคุกพ่อแม่ของเราก็ต้องไปติดคุกกับเราด้วยคือท่านก็ต้องไปเยี่ยมเราที่คุกที่ตารางต้องหาอาหารต้องหาข้าวหาของไปส่งไปเสียไปคอยดูแลอยู่ ไปบวชเป็นพระท่านก็ต้องตามมาที่วัดมาคอยดูแลเรามีใครทำอย่างนี้บ้างเพื่อนฝูงที่เรารักเราชอบที่เราสนุกสนานด้วยเขาจะดูแลรักษาเราหรือเปล่าเขาไม่ดูแลหรอกถ้าเราไม่มีอะไรให้เขาแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่เป็นเพื่อนเราแล้วนี่คือพระคุณของพ่อแม่มีความใหญ่โตมากยิ่งใหญ่มาก การทดแทนบุญคุณให้กับท่านนี้ต่อให้เราทำมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่สามารถที่จะใช้ให้ได้หมดบุญคุณของพ่อแม่นี้ใหญ่หลวงเท่ากับท้องฟ้ามาหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเราใช้ไปให้กับท่านมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถใช้ให้หดได้นอกจากที่เราสามารถ สอนให้ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือได้เป็นพระโสดาบันเท่านั้นเราถึงจะสามารถทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้หมดอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้หมดพราะทรงสอนพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ได้เป็นพระโสดาบัน และส่งสอนให้พระบิดาพระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเนี่ยเพราะว่าการที่เราทําให้พ่อให้แม่ได้บรรลุเป็นพระอริยรบุคคลนี้เท่ากับช่วยให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะโสดาบันนี้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกและภพชาติของท่านก็จะเหลือไม่เกินเจ็บชาติเป็นอย่างมากถึงแม้เคยทำบาปทำกรรมมาหนักมากน้อยเพียงไรก็ตามกรรมหนักเบาเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสที่จะไปทำให้ท่านต้องไปใช้กรรมในอบายได้ท่านจะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้มีพระนิพพานเป็นที่สถิตที่อาศัยอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการที่เราจะทําให้พ่อแม่เป็นพระอริยะเป็นพระโสดาบันได้เราเองก็ต้องเป็นพระอริยะก่อนเราต้องทําตัวของเราให้ ชลาให้เป็นพระ อ, อริยะได้ถ้าเรายังเป็นไม่ได้เราจะไปสอนคนเดินให้เป็นได้อย่างไรและการที่เราจะเป็นพระ อ, อริยะได้ในเบื้องต้นเราก็ต้องมีความกตัญญูกตเวทีก่อนเมื่อเรามีความกตัญญูแล้วต่อไปเราก็จะทําความดีต่างๆเพิ่มขึ้นไปได้ตามลาดับเราก็จะทําบุญให้ทานมากขึ้น เราก็จะรักษาศีลได้และเราก็จะนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาได้ถ้าเราทาได้ครบทั้งหมดนี้แล้วการบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยเป็นสิ่งที่จะเป็นตามมาอย่างแน่นอนเพราะมีพระโสดาบันที่ได้บรรลุกันนี้มาเป็นจำนวนมากแล้ว ก็ได้บรรลุจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองและหลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็ไปโปรดบิดามารดาของท่านถ้าบิดามารดาของท่านมีบุญมีวาสนาพอมีศรัทธามีความเชื่อพอก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติตามจนบรรลุปเป็นพระสวสดาบันได้นี่คือการทดแทนบุญคุณที่ แท้จริงและทดแทนได้อย่างหมดสิ้นแต่ถ้าเรายังไม่สามารถทําได้ขนาดนี้อย่างน้อยก็ขอให้เราเชื่อฟังเคารพแล้วก็ให้เราดูแลแบ่งปันเงินทองที่เรามีนี้ให้กับพ่อให้กับแม่แล้วถ้าเวลาที่ท่านแก่เท่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวท่านได้ เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านถ้าท่านไม่มีใครดูแลเราก็ต้องเอาท่านมาอยู่กับเราหรือเราต้องไปอยู่กับท่านแล้วก็เลี้ยงดูท่านเหมือนกับท่านเลี้ยงดูเราในสมัยที่เราเป็นเด็กๆถ้าท่านไม่เลี้ยงดูเราในในสมัยที่เราเป็นเด็กเ ร, เราจะโตขึ้นมาอย่างนี้ได้หรยดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ท่านเป็นเหมือนเด็ก เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านไปจนกว่าชีวิตจะหาไมา่และวหลังจากนั้นถ้าท่านตายไปแล้วเราก็ยังทดแทนบุญคุณท่านได้ด้วยการทําบุญอุทิศเวลาทุกครั้งที่เราทําบุญนี้เราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเพราะเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสถานภาพใดถ้าท่านอยู่ในสถานภาพที่เป็นเหมือนขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณ ท่านก็จะได้อาศัยบุญของเราที่อุทิศนี้ไปท่านก็จะได้มีความสุขแต่ถ้าท่านอยู่ในสถานภาคที่รับไม่ได้บุญนี้ก็จะกลับมาเป็นของเราเช่นถ้าท่านไปนเกิดเป็นเทวดาท่านก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยบุญอุทิศเพราะเป็นเทวดานี้มีบุญมากเป็นบุญเป็นเหมือนขับมือเป็นเหมือนเศรษฐีบุญจึงไม่จําเป็นจะต้อง ขอส่วนบุญของจากผู้อื่นแต่ถ้าเป็นเปรตเป็นวิญญาณที่เป็นขอทานนี้ยังต้องอาศัยบุญของผู้อื่นให้อยู่ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าท่านไปทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรเราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสถานภาพใดดังนั้นทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็ควรที่จะอุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ให้ไป ให้ให้ไปกับท่านเผื่อท่านรอรับอยู่ท่านก็จะได้รับเราก็จะได้ทดแทนบุญคุณของท่านนี่คือความสำคัญของบิดามารดาและความสำคัญของความกตัอยูกะตะเวทีะจะทําให้จิตใจของเรานี่สูงขึ้นเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความยินดี ที่จะทำความดีมากขึ้นเพราะการกระทำความดีนี้จะลบล้างความไม่ดีที่ดีอยู่ในใจคือความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้มันเบาบางลงไปเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงน้อยก็อยากจะทำบุญมากขึ้นอยากจะทำความดีมากขึ้นก็จะมีความสุขมากขึ้น จิตใจเมื่อตายไปก็จะไปสู่สุคติแต่ถ้าไม่ทำความดีเลยก็จะคิดอยากจะทำความชั่วว่าเวลามีความโลกก็ไม่เคยคำนึถึงความดีหรือความชั่วว่าเป็นอย่างไรขอให้ได้ทำตามที่ต้องการเท่านั้น mm hmm. เช่นคนที่ทำผิดศีลข้อต่างๆนี้ก็ทำออกมาจากความโลภจากความอยากได้นั่นเอง อยากได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถได้มาด้วยความถูกต้องก็ต้องหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปโกหกหลอกลวงเขาบ้างไปลักทรัพย์เขาบ้างไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการแต่ถ้าเราทำความดีอยู่เรื่อยๆเช่นมีความกตัญญูมีความเสียสละใจของเราจะไม่ค่อยโลภมาก ถึงไม้ยังจะมีความโลภอยู่ก็จะหามาด้วยความถูกต้องเธอจะไม่กล้าทําผิดศีลผิดทรรไม่อยากไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะจะมีฮิริโอตปะคือมีความละอายและมีความกลัวบาปกลัวว่าทําไปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในนรกอายก็คือไม่อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเรานี่ทํา ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมีใครชอบไปโกษณาว่าชอบเป็นคนชอบโกหกหลอกลวงบ้างชอบลักเล็กขโมยขโมยบ้างไม่มีใครอยากจะไปโฆษณาความชั่วของตนหรอกเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าน่าไปโกษนานั่นเองเพราะถ้ามีคนก็รู้ว่าเราเป็นคนชั่วแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคม ไม่มีใครอยากจะส่งเสริมเราดังนั้นเราต้องพยายามทำความดีให้มากๆเพราะความดีนี้จะปกป้องไม่ให้เราไปทำความชั่วนั่นเองแลวเราก็จะได้อยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขดังนั้นเราจะต้องพยายามระ ล, ลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่อยู่อย่างสม่ำเสมออย่างเช่นวันนี้เราก็ระลึกกันแต่อย่าระ ล, ลึกแต่เฉพาะวันนี้ ปีหนึ่งมี365วันปีหนึ่งอย่าเพียงนำนึกถึงบุญคืนของพ่อแม่เพียงครั้งเดียวขอให้เรานำนึกทุกวันวันละสองครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเราจะไม่ลืมแล้วเราจะได้ทำความดีแล้วเราจะได้จเจริญนุ่งเนือนอต่อไปนี่คือการแสดงความกตัญญูกตวเวทีในวันสําคัญคือวันพ่อแห่งชาตินี้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 แม้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะาละโดยทั่วหน้ากันเธอ